น, นี้ก็ยังคงต้องพูดในเรื่องเดิมนะครับคือเรื่องทีพิ้าในสสารพุทก่อนนีในเรื่องทีพิ้าตคือเรื่องยาโมกันติยถาในะะพูดประเด็กคู่เรื่องแหล ะ, ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของเรา คือปัญหาได้อยู่ที่ว่าฝ่ายพระวีได้มีความเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่ อ, อยังเป็นพระโพธิสัตว์ในภพพระพุทธศกษตรพระองค์ได้ตรงย่างลงสู่นิยามธรรมซึ่งในที่นี้แปลว่าอย่างลงสู่ทางกันแน่นอนจะพูดเป็นภาษาเทคนิคให้ชัดลงไปก็คือโอกลันตินิยามซึ่งนิยามนั้นจะใช้ไดย แล้วก็ถําหมายถึงสัมมัตสานิยามคือนิยามข้าง ก, กูําหมายถึงมัดสี่ประการต แ, แต่โตดาตุมาตั้งถึงอารหัตามัดแต่เมื่อเติมคําว่าโอ ก, กันติเข้าไปข้างหน้าโอกริตก็แปลว่าอย่างลงคือนิยามที่อย่างลงหรืออย่างลงถึงนิยามนั้นจะเป็นชื่อของโสโดาปฏิม า, าคันทีแปลว่านิยามอย่างลงหรือมัดแรก เหมือนกับปัจิสมที่ขนะของโลกโลกอรารยบุคคลเนี่ยอันก็เลยเรียกอย่างนี้หมายถึงโสดาก็สรุปความว่าพระวจีนั้นสำคัญว่าพระพุทธเจ้านั้นได้บรรลุเป็นโสดาบันบุคคลมาเมื่อเร็พบพระพุทธกาปะนานมาแล้วและได้มาบรรลุมัตอีกสามที่เหลือเบื้องปลายในกวงต้นไม้ประสีมหาโป เราก็ได้ชี้แจงยกเหตุผลหลายประการด้วยกันขึ้นมาแสดงให้เห็นซึ่งเราก็ได้อธิบายไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงหน้าที่สองนะครับหน้าที่สองซึ่งท่านติ๊กไปที่หน้าที่สองอในหัวข้อที่สิบสองคุผมจะอธิบายต่อไปจากตรงนี้ในหัวข้อที่สิบสองนั้น <c oughs> ก็ได้ขึ้นประเด็นว่าหลักประการหนึ่ง ของทางพุทธศาสนานั้นเกี่ยวกับผู้ที่เป็นสัทธาคือส า, สากับสาวกสาวกนั้นเรามีอยู่สองประเภทนะครับเราต้องเข้าใจในเบื้องต้นก่อนสาวกที่แล้วว่าผู้ฟังมีสองประเภทประเภทหนึ่ง <c oughs> คือสมมติที่สาวกสมมติสาวกนี่เราก็เป็นสาวกทุกคนเป็นพุทธสาวก สาวกของพระพุทธเจ้าและเราก็ได้เป็นสาวกแบบสมมุติกันมาก็เห็นอย่างหลายพระองค์แล้วนะครับถึงจะเป็นการสันนิษฐานก็คงจะไม่ผิดหรอกแต่ดีไม่ดีเราก็คงจะได้เจอพระพุทธศาสปามาแล้วเป็นสมุติสาวกของพระองค์มาแล้วและถ้ายังไม่ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลเราก็ยังคงจะต้องเป็นสมุติสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปอีกนานแค่ไรเราก็ไม่ทราบ มีหมายก็ว่าเราทุกคนนั้นถ้านับถือตัปปัตสัสนาได้เชื่อว่าเป็นสมุติสาวกหมดดังนี้ลักษณะของสมุติสาวกนั้นมันมีเรียกว่ามีการเปลี่ยนอาจารย์หรือเปลี่ยนศาสดากันอยู่เสมอเสมอเก่งเช่นเวลานี้พวกเรานั้นถือว่าเป็นสมุตติสาวกของพระสรรมนโหนมพอสิ่งสมัยของ พาะสมณาโคดมไปแล้วเราได้ไปพบสีอ่านเราจะประสียานตัวเป็นพุทธสาวุของพระสีอ่านแปลว่าเราเปลี่ยนศาสนามาดั้นสมมุติเนี่ยมันก็สมมติอย่างว่ามันสมมติเป็นยังไงก็ได้และบางทียังยังอยู่ในสมัยของพระเจ้าองค์นี้เนี่ยคาารับจาเพราะเพราสมณโคดมจะยังทรงมีพระชนอยู่ก็ตามหรือจะทรงปรีนิพานแล้วแต่ว่าศาสนาของพระองค์ยังอยู่ก็ตาม เราก็อาจจะถอนความเป็นสาวกของพระองค์ได้เหมือนอย่างที่ในสมัยพุทธกาลเราก็พบว่าแม้กระทั้งพระบวชปฏิยาปฏิญาากันอย่างดีทีเดียวแต่ในที่สุดพระหลายๆองค์ก็ได้ศึกหาลาเขตปั้นบางองค์ก็สืบบวชเจ็ดครัง้งอย่างเช่นพระหาตากาศเป็นต้นที่ก็แปลว่าเรียกว่าสาระขาดหรือขาดจากความเป็นสาวกของ พระพุทธเจ้าหรือบางท่านเนี่ยครับได้เปลี่ยนเปลี่ยนลักที่ไปเลยซึ่งก็มีตัวอย่างนะที่ว่ามาบวชในกระทำมาบวชก็มีในยุคใหม่ก็มีตัวอย่างบวชเป็นสาวกนะของพระพุทธเจ้าแล้วแล้ววันดีคืนดีก็ได้ได้ฝึกไปกลายเป็นสาวกของพวกเดลตีเสร็จแล้ววันดีคืนดีก็กลับมาบางคนงพางคก็ปลายแยกไปเลยนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติ เราคงพูดกันว่าสาระค่ะสาระขะดสาระไม่ค่ดนะอย่างที่เราปฏิญาณเรายังไม่เปลี่ยนใจจากศาสนานี้หรือว่าศาสนายังไม่ขแต่ว่าถ้าเมื่อใดเราไปสมาทานเป็นสาวก ข, ของศาสนาอื่นเหมือนอย่างที่ผมเคยไปมีโอกาสให้ความรู้แก่บาทหลวงแล้วบางท่านก็มาคุยอย่างสนิทใชครับแนะนำตัวเอง อย่างทนิดที่ผมฟังแล้วผมก็นึกรู้ดูในใจเพราะว่าท่านอายุตัวอย่างสองคนนะครับเป็นหนุ่มพอรุ่นๆเดียวกับผมแต่นี่มันห้าหกปีมาแล้วนะตอนนั้นก็นหนุ่มมากกว่านี้แกก็บอกว่าอาจารย์รู้จักสมเาาด็จพระวันละลักษณ์วัดโพดีหรือเปล่าผมบอกทำไมนะบอ ก, กน่าจะทันกักรุปัชาผมนะผมก็นึกแะทำไมตอนนี้มาเป็น เป็นบัณเป็นนักสอนศาสนาองค์ศาสนาพิธีแล้วแกก็ได้เล่าว่าได้เคยไปบุญอยู่ที่จิตภาวันวิทยาลัยมาด้ถามทำมาอย่าก็รู้เยอะอภิธรรมก็ได้พอสัมผัสมาบ้างกระสูตรอะไรต่อใครในเรื่องเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาเนี่ยก็พอจะเป็นคนที่มีความรู้ดีแต่ผมก็ไม่กล้าถามเขาแต่นึกแปลกใจว่า ทำไมยิ่งเปลี่ยนศาสนากลายเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาอีกเนี่ยผมยังจำชื่อจำหน้าได้แล้วก็ก็มองมองดูว่าอาจจะนึกนิฐานว่าคงจะเป็นเรื่องวร า, าสุตา ล, ละเพราะว่าพอเปลี่ยนศาสนาจากเรียกว่าอดีตระัะที่พอจะมีความรู้เรื่องการเทศการเผยแร่พอจะมีคนถืออยู่บ้างเนี่ยพอเปลี่ยนไปเขาก็ให้ทุกอย่างอย่างเต็มเลทเต็มหน่วย อ, อ่าเจออ้าวหาลูกหมาไม่ให้เสร็จบ้านชออาวเขาหอมมีหมดแกมาทาหน้าที่ปลี่ยแปลงไปนี่เรียกว่าขาดนียเป็นขาดสุดออกไปก็ยังไม่ขาดจากสาารณะเจ่ครับเจ้าบวบทแล้วสึกนี้ก็ยังถือว่าเป็นพุทธบริษัทอยู่นั่นเอ ง, เงจริงแต่ว่าเลื่อนฐานลดฐานนะจากที่สุบริษัทไปเป็นอุบาทศ บ, บริษัทหรืออุบาติกาบริษัทถ้าเป็นพิชซุนิ แต่ถ้าเปลี่ยนใยนแปลว่าขาร้อยเปอรเ็นเพราะนั้นเรื่องสมมติสาวกนะก็อย่างนี้อ่ะมันเรื่องที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันได้แต่ถ้าอ่าเดี๋ยวขอพูดใต้อีกให้ทัดอีกทีว่าเปลี่ยนคือเปลี่ยนไปนับตัดหรือศาน า, าอื่นหรือเปลี่ยนองคู่เป็นพระพุทธาศาสดาของตัวอย่างที่เราเปลี่ยนกันมาแล้วและจะเปลี่ยนกันต่อไปแต่ว่ายังเป็นพุทธบริษัทแต่เปลี่ยนไปดรืย ในในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเราก็อาจจะไปเป็นสาวกของาศาสนาอื่นบ้างอาจโอกาสแต่ถ้าเป็นปรมาสาวกคือสาวกโดยเข้าถึงอริยคุณแล้วนับตั้งแต่โสดาปติมภะเป็นต้นไปคนนั้นจะเป็นสาวกที่แน่นอนคคือแน่นอนตั้งแต่ว่าหนึ่งไม่เปลี่ยนาศาสนาอย่างที่เราได้เคยพูดมาในปัญหาก่อนหน้านี้ อย่างเช่นเราพูดใ น, ในข้อที่เด็นะครับพูดถึงก้องด้วยภัศนะคือบรรลุโสดาปฏิมากแล้วคืงนับถือสาวกอื่นหรือเนี่ยออกตามหลักการก็ต้องตอบว่าไม่ใช่คือไม่เปลี่ยนจะนับถือสาวกตาพุทธศาสนาตลอดไปแล้วก็อีกประการหนึ่งแม้ว่ า, าสาวกผู้นั้นจะยังมีอายุยืน อายุหมายถึงอายุไม่ใช่อายุตัวชีวิตอายุการเข้ารุภานยังเวียนว่ายไปเกิดอีกนานถึงเจ็ดชาติเป็นที่สุดแม้ว่าจ ะ, ะคร่อมเรียว่าะระยะเวลาการเที่ยวเจ็ดชาติเนี่ยคร่อมสมัยของพระพุทธเจ้าถึงสองพระองค์หรือสามพระองค์หรือสี่พระองค์หรือห้าพระองค์เชื่อไหมพูดแล้วเหม่ยล็อกแมพูด พูดพูดเลยเปื่ยไม่ใช่เรียกเปื่อยะทําไมถึงว่าไม่จึงเรื่องเปิดอยความจริงบางไล่หลายขั้นก็จะตอบได้คือถึงแม้ไม่ต้องไปอาเจอในกระสูนนะมันมีหลักการบอกอยู่แต่ว่าในกระสูดก็มีตัวอย่างยกตัว อ, อย่างเช่นในในลมมาสังยุตในเรื่อที่เกี่ยวกับลมนะในสังยุตนาฬิกาก็ลงไปอ่านดูแล้วก็ดูประวัติเพื่อจนจะขยายความถริงอดีตประวัติของรม ซึ่งโดยมากจะเป็นสุท า, าวาตโทมสุทาวาตโทมนั้นมีอายุกี่กัปเยีมีอายุกี่กัปแล้วแต่ทันใช่ไนหะแล้วแต่ทันก็แล้วว่าหลายกัปทีนี้พระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยอย่างเช่นโลกกับนี้นะสามีมีพระพุทธเจ้าถึงห้าองค์แล้วทํำไ ม, มอารมิยะเหล่านั้นจะได้ผ่านสมัยพระพุทธเจ้าหรือผ่านพุกทันดอนถึงห้าพุกธันดอนไม่ได้ มากกว่านั้นไปก็ได้คือข้ามโลกเจอมัครับเว้นเสียแต่ว่าไปประจวบเหมาะในสมัยที่พระพุทธเจ้าโอหนึ่งกับโอหนึ่งนั้นมีระยะเวลาห่ากันนานเป็นสงไข่กับถ้าอย่างนั้นลรก็เรียกว่าเจอโรเดียนไม่มีโอกาสจะเจอถึงสองพรองค์ได้แต่ถ้าจังหวะดีๆนะครับหรือมีพระพุทธเจ้าหรือว่าชุกหน่อยก็เจอมากกว่าห้าองค์ก็ได้ าทีนี้พระอที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าบางองค์ก็มาในฐานะที่เป็นเพื่อนกับเคยเรียกว่าทํ า, าุญหรือทากันมาแล้วก็มาเพื่อนกูรกันแต่ว่าพระองที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้มาในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ผู้อย่างสมมติเราคือไม่ได้มาในฐานะเป็นลูกศิษย์เพราะอะไรเพราะว่าพระอหลายๆท่านท่านบรรลุธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ท่านก็ชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์นั้นนะั้นแล้วแต่ว่าใครจะเป็นสาวขาอาอากของพระพุทธเจ้าองค์นั้นอย่างเช่นในสูสูตรหนึ่งที่พุทธิจ้าที่เล่าว่าพระภูมิมรภาพได้ทรงเสด็จขึ้นไปบนแถวเทวโลกเลยเลยไปโดยทัางถึงสุทาวาสลมนะก็เจอโโหเรียกว่าเป็นดงของสมอริยะทางนั้นตัานเหล่านั้นท่านก็ได้กล่าวถึงตวัติของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อน ที่ตัวเองแต่ละตนแต่ละต น, แ ต, ะตนแต่ตะนนี้ได้พบมาถาวายพระพุทธเจ้าเป็นการเล่าถาวายซึ่งไม่เล่าแต่บรรลุแต่ก็เล่าถาวาย อ, าอย่างนี้ เ, เราก็ถือว่าบรรลุธรรมจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสมอนะครับ โดยเด็ดขาดไปเลยปู ข, ขาดไปเลยแม้ว่าจะไปปกปูงอื่นหลั ง, ลงอีกก็ตามนี่นี่เป็นหลักพรเขาถือเอาอะไรเป็นสําคัญอถือเอามัดผลที่สาวคู่นั้นได้บรรลุเป็นสําคัญใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็นหลักอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้พงก็เลยไดขึ้นหัวข้อไว้อย่าง น, นี้นี้เรามาดูในเนื้อหาเนื้อหาประชัดเกอย่างที่ว่ามาในหัวข้อที่สี่สอนะครับเราถามว่าท่านพระอานนท์ ท่าติสตาพระหาพอดีท่านถากถากชาวเมืองอาลาวีได้ย่างลงสู่ทางมันแน่นอนตรงนี้ถ้ากลับมาเป็นศัสตร์เทคนิคแล้วก็กําหนดลงทางไว้ในใจก็คือได้โอกันติสกาใยาโอ ก, กรตินิยาคือได้บรรลุโสดาปฏิมนะาเจพูดยังไม่เอาจำนวนนะบรรลุโสดาปฏิมามีพรหมจารอันกระพริแล้ว เรามาจำตรงนี้อย่าลืมว่าหมายถึงถ้าตรงนี้นะครับเอาลึกเลยนะหมายถึงมรมรคผลมรรคผลมรรคแต่อก็หมายถึงโรมจรร์คือการบวดที่เป็นเรื่องขององค์ประกอบ ท, ที่เป็นเครื่องเรื้อกูลต่อการบรรลุมรมรคผลมรรคด้วยแต่เอาตัวหลักคือมรมรคผลมรรคเป็นประทัดได้ประพฤติแล้วก็ระพฤติแยกแล้วลว่าได้บรรลุแล้วนั่นเองนะคะรับบรรลุมรรคแล้ว แล้วในไหนแล้วในปาพดของพระผู้มีพระภาคคาว่าพระผู้มีพระภาคตรงนี้ถึงจะไม่ได้บอกชื่อว่าเป็นพระผู้มีพระภาคพรงค์ใดแต่ความนั้นบังคับว่าหมายถึงพระสมณโคโดมพระผู้มีพระภาคพระองนี้คําว่าปาพดอย่าลืไมไหมครับว่าเป็นไวยพดของคําว่าพระพุทธศาสนาอีกคำหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด13คํานะครับแต่ที่ผมได้ การกล่าวผ่านๆเมื่อกล่าวอ่อนน้นปาคดคือปล่จาจะนะได้แก่คําอันเป็นหลักเป็นฐานมือใช้ก็เลยหมายเป็นสถาบันพระพุทธศาสนาปจัจจุบนี้พะพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นพระพุทธศาสนาของพระพุทธพระองค์ใดก็ยังแบ่งพระพุท ธ, ธองค์ไว้แต่ละองค์แต่ละองค์งนี่ก็แล้วว่าท่านทั้งสามนี้ ได้ปรยวิครสมาจารย์บรรลุโตดาวปฏิมิในาศาสนาของพระธรรโสดมเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่าท่านทั้งสามนี้จะได้อาจจะพูดเป็นการคาดหมายได้ที่จริงนะจริงๆก็คือมีประวัติเล่าหมดนะครับไปอ่านดูในอักษาทย่ง่ายๆก็คือมโนรัตนภู ร, รีที่พูดถึงเอตัคค า, าบุคล น, นะครับ ในนั้นจะเล่าประวัตว่าได้สร้างบารามีม า, าจะทําบุญมาทางพุทธจ้าพระองค์บางท่านจะได้เคยบุญบางท่านก็ไม่ได้บุญหรือบุญองค์นั้นไม่ได้บุญบุญองค์นี้ซึ่งท่านเหล่านี้คือท่านทั้งสามยกตัว อ, อย่างแค่สามองค์เองครับมากว่านี้ก็ ย, ยกได้รวนแล้วแต่ได้เคยเรียกว่าประพฤติมจาจรย์ในความหมายอื่นที่ไม่ได้หมายถึงมรรมาก่อนดังนั้นนะแต่ท่านทั้งสามนี้ไม่ได้เคยบรรลุมรรค คือโสดาปฏิมาเป็นตนจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเลยพระองค์เอเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านพระอานอนท์ท่านกีาาากบตาข้าพดีท่านหัตถกาทางเมืองอารวีเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคหรือไม่แปลกเาไปที่ว่านี่เราอาจจะพูดเหมือนกันในคำตามคนทีเดียวนะเอาเป็นว่าท่านทั้งสามนี้ได้เคยผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์เหมือนกันได้เคยบุญเคยเรนมาก็มาพระองค์ แต่ได้มาบรรลุ ก, กับพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเราจะถือว่าท่านต่างๆนี้เป็นสาวกครับอ่านี่เราก็ต้องตอบค่ะตอบแบบอ่าไม่ให้มีข้อคังขาอะไรกันเลยนะครับว่าองบอกว่าถ้าหมายถึงปรมตสสาวกในที่นี้เขาหมายถึงปรามาสสาวกนะครับก็เป็นสาวกของพระองค์นี้พระองค์นี้แต่ถ้าหมายเอาสมมุติ์ที่สาวกนะเรียกว่าเป็นมาเยอะแล้วเป็นมาเยอะแล้วแต่ในที่เข้าหมายถึงปรามาสสาวก จึงต้องยอมรับว่าท่านทั้งสามนี้เป็นสาวกของพ ร, ระภูมิพระคทรงธนามว่าตาสรนักโหรกไม่ใช่เป็นสาวกของโคอื่นเพราะนั้นตรัสรู้ตอบว่าใช่นั้นเป็นการตอบถูกต้องตามหลักการในข้อที่สิบสามตรัวาูีได้ถามเสื้อเพียงในมุมปฏิเสธในมุมตรงข้ามบางังถามว่าพระโพธิสัตว ทางที่จรงคือเอาเอ า, เอาพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเรามาเทียบกับท่านธรรมสามนี่ดูดิว่าพระโพธิสัตว์ได้อย่างลงสู่ทางแน่นอนนี่ตัวมาจารย์อันประพฤติแล้วในปา พ, ข พ, พ, ะปะ พ, พุของพระผู้มีพระภาคนามว่าตัดตาะปากหรือหากตรงนี้ที่จริงท่านจะตอบกันแบบแยกหน่อยนะครับแต่ในที่้เขาความหมายถึงอะไรสาวกคะ่ะหมายถึงประมาสาวก นะ ห, หมายถึงประมาณสาวกซึ่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเป็นเรียกว่าเป็นสัมมาสัมพุทธญาณ น, นะครับไม่ใช่สาวกญาณ น, นั้นใครจะไปะยกเหตุผลมายังไรยังไงเราก็จะมากะเกือนหลักการตรงนี้พระพุทธเจ้าจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์อื่นไม่ได้ในแง่รธรรมัะนะเพราะว่าท่านต้องบรรลุเองหมดทั้งสี่สี่มรร แต่าอาจจะเคยพบเคยบวญมายังไงก็ตามเถอแต่นั่นเป็นเรื่องของของส ม, มุติปรรมาจันนั่นเองเป็นสมมุดสาวกนั่นเองแต่ปรมัทธสาวกแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะ ท, ทรงบรรลุเองจึงชื่อว่าบุคคลเหล่านี้ไม่เป็นสาวกของใครอันนี้ก็จะยกกระสู่ยืนยันกันอีกทีนะครับเมื่อเราถามอย่างนี้ว่ า, ถ, าถ้าท่านจะถือว่าอย่างนั้นเนี่ย ว่าท่านเจ้าโพธิสัตว์ท่านกล่าวว่าอย่างรองสู่ทางนั้นแน่นอนมีตัวบรรยายนพุทธแล้วในสมัยของพระพุทธกัตตาปัอย่างงั้นเจ้าโพธิสัตว์เขาคือพระพุติกาของเราเีก็เป็นสาวกของพระพุทธกัตตาปัดน่ะสิพระวาทีกปฏิเสธเวเซนเขาว่าไม่ใช่ถ้ารับนี่แปลว่าลดลดระดับญาณแะบารมีจากสัมมาสัมพุทธญาณมาเป็นสาวกประยัน อนี้เขาไม่รล้านั้นที่รับนี่ก็เป็นนั้นว่าปฏิเสธปฏิเสธในข้อนี้นะครับก็เป็นนั้นว่าปฏิเสธถูกเรามาดูในหัวข้อต่อไปคือต่าวกรุชาที่ผมอธิบายนํามาแล้วนะครับในหัวข้อที่สี่เราได้ถามว่าพัะโอชิตาได้อย่างลงตูทางแน่นอนที่พ ร, ม ร, ระมาจรรย์นันทพุทธแล้วใน ป, ปราปด ของพระผู้ธมีพระภาคพระนามประกศตรัแต่ไม่เป็นสาวกของพระพูทมีพระภาคพระนามประกาศตรัพย์หรือเขาตอบว่าใช่ขัดกันนะครับเป็นไปได้ไหมว่าจะมีใครสักคนหนึ่งบรรลุธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแต่ไม่ยอมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะเราพระพุทธชนล้วอาจจาะรู้ธรรมกันธรรมดาใช่ไหมบรรลุคนบรรลุ อ, ร, อลริยมรรคแล้วเขาไม่เรียกว่าไม่ไม่ปฏิเสธอาจารย์ นะครแต่ว่าถ้าเป็นระดั บ, ะบระยะหรือระดับบุรีชนเนี่ยหรือแม้กระทั่งระดับทานก็อาจจะเป็นได้นะครับที่อาจจะมีการปฏิเสธอาจารย์อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าปฏิเสธที่บางทีคนไม่เสธไม่ใช่ผิดนะครับบางทีอาจารย์อาจจะผิยกตัวอย่างเช่นว่าก็มีหลายหลคนที่อาจจะเคยนับถืออาจารย์ผู้นี้มากร์ต่อมาต่อมาแล้วก็เปลี่ยนเช็นไหมครับตัวมีตัวยอย่างเนะะี่ย ไม่ต้องยกไปเลยลองน้ำถามดูการจะอยู่ที่นี่มียค่ยบ่อยๆไป บ, บางท่านก็ก็มียกไ ป, ลไปแล้วไปจะกระตุ้นไม่ดีนะครับมันไม่คัดแต่ยกแล้วก็มันไม่ดีมันไม่จะสะดวกใจอันนี้มีครับในพระพุทธในพระธรรมก็มก็เป็นอย่างนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนซึ่งเปลี่ยนเนี่ยบางทีเป็นความผิดของอาจารย์เหมือนอย่าง สันใครเวรัฐบุตรเป็นอาการของโกนิฏกับอุปฏิสัจใช่ไหมฮะการที่ท่านทั้งสองเปลี่ยนอาการนั้นเราจะถือว่าเป็นความผิดของท่านทั้งสองหรือว่าเป็นความผิดว่าอาจารย์นี่เราไม่ต้องพูดแล้วครับเพราะว่าตัวอาจารย์เองก็ยอมรับอยู่แล้วเห็นไหมครับบอกคนโง่ก็อยู่กับท่านให้ท่านทํามมากินต่อไปไอ้ชายก็ไปอยู่บนกำลันักอดมเหมือนท่านทั้งสองจะลาตัวไป ทำไมว่าอะไรเพราะคนคนโง่ไม่ชอบวิญญาณหลายอยู่แล้วเห็นไหมก็ก็หากินกับคนโง่กว่าสบายใจไปเอออ่ออย่างนี้ก็มีได้แต่การบรรลุมรคนเนื่องจากว่ามันเป็นของที่ถูกต้องแน่แน่อยู่แล้วใชครับเป็นของถูกต้องที่ตายตัวเพราะฉะนั้นอ่านี่เป็เหตุหนึ่งแล้วก็ได้เห็นว่าเมื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องบุคคลผู้บรรลุธรรมนั้นคุณธรรม ก็จะต้องสูงขึ้นตามทำที่บรรลุสิ่งที่บรรลุได้ด้วยเหตุสองประการไงครับทำนั้นก็เป็นของดีและคนจะบรรลุได้ก็จะต้องเป็นคนดีก็ด้วยสองแรงนี้จึงทําให้ผู้ที่บรรลุเป็นโตดาบันเป็นโตนแล้วถึงร้องไปอัจฉริพภาไม่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นหรือศาสนาอื่นเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ครับ แป็นไม่ไม่ได้ที่รพระพุทธเจาจะบรรลุมรรคผลจากพระพุทธเจ้าบนสัปะเสร็จแล้วไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์นัคือตัวท่านเองเนี่ยท่านก็ไม่รับไมีนะครับทาไมก็ไม่รับแล้วก็โดยหลักการันก็เป็นมไม่ได้โดยหลักการมีทั้งสองอย่างนะฮะข้อที่สิบห้าก็ยกเขาท่านทั้งสามมาเปรียบเทียบ ว, ว่าว่าท่านทั้งสามเนี่ยได้บรรลุอกกัน ติทิ์นิยมในศาสนาของพระพุทธธรรมนาโกโดแต่ท่านไม่เป็นสาวก ข, ของพรานสถณะโกโดหรือไม่ก็ต้องบอกว่าเป็นนบไม่ใช่ไม่เป็นเป็นอันนี้หลักนี่ก็เลยเป็นหลักที่เทียบเทียมทาให้ความเห็นในเรื่อ ง, องพระบุตรจานั้นตัด ก, กันยิ่งขึ้นในข้อที่ส6หก เป็นสาวกพรั้นร่วมชาตหนึ่งไปแล้วกลับไม่เป็นสาวกหรือพระวสีบอกว่าไม่ชอช่ตรงนี้ความหมายของคําถามก็คือเขาต้องอถามอย่างนี้นะเพื่อต้องการจ ะ, อะเอ่ยอ้างจริงถึงพระพุทธเจ้าของเราว่าถ้าการเห็นว่าพุทธเจ้าของเราบรรลุโตดาปฏิมาในคกัสส ป, ปะแต่ไม่เป็นสาวกของกัสส ป, ปะ พราะได้มาเป็นพผู้เท่เจ้าเองอย่างนี้ก็จะกลายเป็นว่าเป็นสาวกพอตายก็ไปเป็นสาวกตามจริงเนี่ยเป็นตลอดไม่ว่าจะใครตายนะะพระศาสดาตายคนนั้นยังไม่ทาวิปานไปเกิดชาติใหม่ก็ยังกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอ ง, ของพระผู้ดีพระภาคพระองค์นี้เราได้มาเป็นลูกตามที่นั่นนี้เนีย่ยได้กล่าวแม้กับพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ที่ด้วยเองครับ ก็ไม่มาพูดหรอกครับเพราะองค์เป็นสาวกของพระภูมีหลวงปาแตมานักโปดมเขาไม่พูดอย่างนี้ก็เป็นอรเรารู้กันเนี่ยแต่เราเิงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราจะเป็นอรมาค่าบังเอิญจได้เป็นอะไรมา ก, ก่อนรู้มว่าเราจะเป็นสาวกอะไรก่อนทุกคนต้องเป็นสมมุติสาวก่อนนะี่ยใช่ไหม ต้องเป็นสมุติสาวกก่อนแล้วจึงเป็นปรมัตสาบุกเอาทำคนทำไมพูดอย่างนั้นประเทศทางตะเอ็กซ์บางคนนี่ก็ยังไม่ทันเรียกว่าถึงสาระเลยก็มีไม่ใช่หรอครับเห็นแล้วเขาก็ได้บรรลุแล้วก็มาถึงสารณะอันนีหลังดีนะฮะจำเป็นไหมครับมีมีตาวกุกตาวกทุกองค์เป็นอริยะเนี่ยจะต้องปฏิญาณตัวก่อนแล้วจึงบรรลุ เป็นอริยะเท่านั้นหรือย้ำให้กันได้ปฏิญาณก็ได้บรรลุมีทั้งสองอย่างใช่ไหมมีทั้งสองอย่างเช่นไข่องคุลีมาปฏิมรรลุเป็นอรหันตอนหลังนะในพระสูตรนั้นไม่ได้พูดว่าเป็นสุตตาบาันตอนไหนแต่ได้บอกว่ามาบรรลุทีหลังทือหมายหลังบวชบวชแล้วแต่ว่าเมื่อได้ เกิดกิดเรื่อมใส่คือถือเอาข้างในจริงๆเนี่ยแล้วทิ้งไอ้พิธีการเนี่ยพิธีการพิธีการคือการจัดการทำอันตรายกรรมการกล่าวอวจีวรฒนากายวรฒนาเนี่ยนะครับอะไรเป็นตัวสําคัญครับเรื่องนี้ศรัทธาเป็นตัวสําคัญใช่ไหมศรัทธาเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่สุดในในด้านของสมมุดศีรษะกุ เป็นไปได้นะครับที่เราไม่ศรัทธาเลยนี่คิดเห็นได้ว่าเราเป็นเป็นตามพ่อตามแมนะ่ก็อาจจะมีความศรัทธาอะไรอยู่บ้างเล็กๆลน้อยน้อยก็ไปอย่างแต่พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็มีใครซึ่งยังไม่เป็นไม่มีพ่อมีแม่เป็นชาวพุทธเลยในสันมมารดลจะมานับถือพระพุทธเจ้าได้เนะี่ยจะท้องเติดอะไรก่อ น, นต้องเกิดศรัทธาก่อนจริงจะนับถือได้ไม่อย่า ง, งนั้นแล้วก็บกังคับบวชดัน ไม่ขนาดพระเจ้าพุทธิสารจะบังคับลูกให้เป็นมาถึงสารณะไม่ได้ใช่ไหมฮพอเลื่อมใสแล้วเป็นอริยะแล้วแต่ลูกมันมาค่อยๆมาที่หลังนะ่ะมาถึงสารณะข้ที่หลังเมื่อได้มาฟังธรรมสัมผัสพรุทธเจาข้างทีหลังเพราะเมื่อก่อนไมนะ่มีระรบหลุดใช่ไห็นะไม่เหมือนเดนี้แล้วเป็นลูกๆลห ล, ล, ลานเขาก็มีศาสนาอะไรกันมา่ก่อนนะฮะตามบันมบุรุษ อยู่จะไปลากเข้ามาแล้วไอ้ถึงสถานะเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกน้องเขาเรื่องสายจริงๆขนาดธนาตาปิมิการเางจียังเจ้าเจ้าองทําไมครับต้องจ้างลูกไปฟังเทศใช่ไหมนะต้องจ้างลูกไปฟังเทศเพื่อให้เกิดศรัทธาในศาสนา <c oughs> อตรงนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็เลยไปถึงการอ้างพระสูร เป็นไปไม่ได้ครับนี่ตอบอย่างเด็ดขาดตามระยะของเทวัจนะเป็นไปไม่ได้ก็บางทีขนาะบางคนบางกลุ่มเนี่ยครถึงขนาดจะไปเทศไปอะไรกันได้แต่คนบางประเภทก็บรรลุไม่ได้ที่ก็จะบอกเป็นพวกมีพวกมีลักขา่าพวก พวกป่าเกื่อนน่ะเหมือนกันเราเห็นพวกป่าเถียงพูกไม่รู้เรื่องศานาอรารยธรรมเจริญยังไงใครยังไม่รับเลยใช่งไหมกต่ท่านเดือนนี้ยังมีอรารยธรรมในทางวัตถุเนี่ยคนจริงน่าจะรับกันได้แต่ก็ยังไม่ยอมรับเขาอยู่ไปยังไงก็ทำเลยเขาก็จะอยู่ไปยังไงเดือนี่ยังมีเลยนักปราษาอะไรไ ะ, ะเจอาธรรมะธ ง, งไปพูดจาหรือครับพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นคนที่ไปเกิดเป็นกลุ่มสังคมอย่างนี้เนี่ย มันก็เหมือนกับว่าเป็นไปตามกระแสตามกระแสปัญหาของเขาที่เขาจะต้องไปอยู่ด้วยกัน น, นะครับเป็นสาคัญน ะ, ะยังไม่เข้าใจชัดหมายความว่าการที่พระพุทธเจ้าไ้บรรลุอรมตะรรลุนะอุบัติขึ้น